การภาวนานะี่มันไม่ได้ยากอะไรหรอกนะถ้ารู้หลักรู้วิธีแล้วการปฏิบัติจะง่ายถ้าไม่รู้วิธีนะการปฏิบัติก็ยากเย็นลำเค็นมากเลยอย่างสิ่งที่เราต้องฝึกใช่ไหมมีศีลสิกขาเพื่อให้เกิดศีลจิตสิกขาเพื่อให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องปัญญาสิกขานะเอาจิตที่มีสมาธิถูกต้องแล้วมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกาใจ เรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อว่าถ้ามันรู้จริงมันจะปล่อยวางมันจะไม่ยึดถือปล่อยพอปล่อยวางได้ก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นความทุกข์มันจะมาไม่ถึงใจอีกต่อไปความทุกข์มันเข้ามาได้แค่ขันห้าแล้วจิตมันปล่อยขันไปแล้วเนี่ยความทุกข์จะเข้ามาไม่ถึงอีกละก็พ้นจากทุกข์ถาบอนไปคําว่าพ้นทุกข์ก็คือพ้นขันก็มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างพระอรหันเนี่ยท่านพ้นทุกข์แล้วนะ คือพ้นจากขันแล้วขันมีอยู่ขันยังทุกอยู่ถึงวันหนึ่งถึงเวลาตายใครตายขันมันตายอันนั้นเรียกว่าดับดับทุกขย่านิพานมันเลยมีสองนิพานนิพานหนึ่งเนี่ยหมดกิเลสตัณหาในใจใจก็พ้นออกจากความยึดถือในรูปนามขันห้าเรียกว่าพ้นทุกภาษาแขกเรียกว่าสอุปาทิเศสนิพานก็มีชีวิตอยู่จนถึงวันตาย พอร่างกายแตกดับใครมันตายขันมันตายขันมันแตกให้เดับขันสิ้นขันนะดับขันก็คือดับทุกนั่นเองว่าขันนั่นแหละคือคำว่าทุกเนะงิ้นเรานานาะในชีวิตเรายังมีอยู่เนี่ยเราก็พ้นทุกข์ให้ได้คือพ้นจากความยึดถือในกายในใจให้ได้ถ้าพ้นตรงนี้ได้ถึงเวลาที่ร่างกายแตกดับมันก็จะดับทุก ถ้าไม่งั้นเน่ใจมีเชื้อเกิดอยู่ร่างกายแตกดับเนี่ยนะจิตดวงเดียวเนี่เหมือนสร้างร่างกายใหม่ขึ้นมาได้สร้างขันห้าขึ้นมาใหม่ได้ด้วยอาศัยจิตดวงเดียวนี่เองในตำรา บ, บอกว่าวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังวิญญาณก็คือจิตเองที่หยั่งลงไปนะก็สามารถงอกเป็นนามรูปเป็นขันห้าขึ้นมาได้อีกนะยั้นต้องภาวนา ตั้งแต่ยังไม่ทันจะตายนี่แหละให้เชื้อเกิดในใจแล้วเราตายซะก่อนเชื้อเกิดในใจตายเชื้อเกิดก็คือตัวเอาวิชาจะตายได้ก็ต้องเกิดวิชาเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกวิชานะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเราจเจริญปัญญามาเต็มที่แล้วเราดูรูปดูนามเต็มที่นะก็เกิดวิชา ตัวปัญญาเนี่ยเห็นความจริงของรูปของนามนะพอถึงขั้นเป็นตัววิชาเนี่ยมันเห็นอริยสัจ ร, รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจก็เป็นปัญญาเหมือนกันปัญญามันมีหลายระดับปัญญาพื้นๆเลยเบสิกเลยนะเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยเป็นปัญญาที่ทำให้เรารู้ว่าอะไรที่เราควรทำสิ่งใดที่เราควรทำสมมต ควรทำวิปัสนาควรทำสมถะชนิดไหนที่เราควรทำบางคนอาจจะเหมาะกับการแผ่เมตตาบางคนรู้ลมหายใจบางคนพิจารณาความตายตัวสมัมพชัญญานี่คือรู้ทันแล ว, ว่าอันไหนที่ควรกับเราจะทำวิปัสนาเนี่ยวิถีปัสนาแบบไหนเหมาะกับเราใช้สมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิหรือสมาธิและปัญญาควบกันนะแล้ควรจะดูรูปประธรรมหรือควรจะดูนมามธรรม เนียตัวที่มาช่วยเราแยกแยะนะรู้ว่าตัวเราควรทำอะไรเนะี่ยเรียกว่าสัมปชัญญะเอาว่าสัมปชัญญะเนี่ยเป็นปัญญาเบื้องต้นนะแล้วก็เราก็ไม่หลงลืมละเลยในสิ่งที่เราควรทำอันนั้น น, ะนีเรียกว่าสัมปชัญญะพอมีสัมปชัญญะแล้วต่อไปเราก็มียานมียานเป็นตัวอย่างรู้นะว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรตั้งอยู่มีอะไรดับไป ก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปเป็นตัวรู้ทันนะว่าอย่างรู้ว่ามีอะไรกําลังปรากฏอยู่ตัวปัญญาสูงขึ้นไปอีกเป็นตัวเข้าใจว่ารูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายที่ปรากฏนี่ล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ปัญญาจะเห็นไตรลักษณ์นะถ้าตัวญาณมันจะเห็นตัวรูปธรรมนามธรรม พอเห็นได้รูปธรรมนามธรรมแลเกิดปัญญาจริงๆที่เป็นวิปัสนาปัญญาจริงๆก็เห็นไตรลักษณ์เห็นรูปธรรมนามธรรมเป็นไตรลักษณ์แล้วนะสุดท้ายก็เกิดปัญญาชั้นสูงเลยนะเรียกว่าวิชาเป็นวิชารู้อริยสัจ ร, รู้ว่าขันหานี้เป็นตัวทุกขนะ์รู้จักว่าความอยากเป็นตัวสมุทยัยรู้ว่าความพ้นจากความอยากเป็นนิโรธหรือ น, นิพพานรู้วิธี ที่จะปฏิบัติเพื่อจะได้พ้นจากความอยากเรียกว่ามรรครู้ว่าหน้าที่ต่อทุกคือการรู้ทันหน้าที่ต่อสมุทัยคือการละหน้าที่ต่อนิโรธคือการเข้าไปประจักษ์หน้าที่ต่อมรรคคือทำให้เจริญเนี่ยมีวิชานะจะรู้สิ่งเหล่านี้รู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรครู้หน้าที่ต่อทุกต่อสมุทัยหน้าที่ต่อนิโรธหน้าที่ต่อมรรครู้สิ่งเหล่านี้ รู้ธรรมที่เป็นอดีตนะก็คือรูปนามในอดีตมันส่งผลมาสู่ปัจจุบันรู้อนาคตธรรมที่เป็นอนาคตคือรูปนามปัจจุบันส่งผลไปสู่อนาคตรู้อดีตนะและอนาคตนะก็จะเห็นการเชื่อมโยงสืบเนื่องกันเป็นลูกโซ่นะไม่ขาดสายรู้ปฏิจจสมุปบาทรู้กระบวนการที่จิตเนี่ยปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมานะ หรือรู้กระบวนการที่จิตจะสำรอกความทุกข์พ้นจากความทุกข์ได้เด็ดขาด น, นี่คือคำว่าวิชารู้อริยสัจสี่รู้หน้าที่ต่ออริยสัจสีรู้ธรรมที่เป็นอดีตรู้ธรรมที่เป็นอนาคตรู้ธรรมที่เป็นอดีตและอนาคตแล้วก็รู้ปฏิจจสมุ ป, ปบาทสิ่งเหล่านี้ได้มาด้วยการที่เรามีญาณเห็น สภาวะที่กำลังปรากฏอยู่เนี่ยแล้วก็มีปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะที่ปรากฏอยู่นี้ถึงเวลาที่จะเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกนะท่านจะใช้คำในธรรมจักจะมีบทสวดอยู่ใครสวดธรรมจักได้บ้างมีไหมในห้องนี้มีใครไหมสวดธรรมจักได้ไหมสวดไม่ได้บทสำคัญนะบอกว่าจักคุงอุตตปาธิดวงตาเกิดขึ้นแล้ว ญาณอุทธปาธิญาณคือความอย่างรู้เกิดขึ้นแล้วปัญญาอุทธปาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาอุทธปาธิวิชาเกิดขึ้นแล้วอาโลโกโอุทธปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนี่เป็นกระบวนการที่จิตมันดําเนินไปจากโค อ, อุทธปาธิมีดวงตาดวงตาเห็นอะไรดวงตานี้ไม่ใช่ตาเนื้อแต่เป็นตาของปัญญามีปัญญามีดวงตา เห็นสภาวะธรรมสภาวะธรรมทั mens. ้งหลายมียานอย่างรู้สภาวะธรรมก็มีปัญญาเข้าใจความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะธรรมมีวิชาเข้าใจอริยสัจเข้าใจอริยสัจตัวสุดท้ายอะโรโกอุทปาธิอะโรโกอะโรกะภลว่าแสงสว่างในขณะที่จิตมารู้อริยมะรอริยผล ในขณะนั้นนะัมันจะมีกระบวนการจิตมันจะรวมเขาอัปปนาสมาธิถึงเราไม่ได้เจตนาเข้าฌานหรือว่าชาตินี้ยังไม่เคยเข้าฌานเลยก็าตามแต่เมื่อเราจเจริญปัญญาได้แก่รอบจริงๆนะปัญญาเราแก่กล้าจริงๆจนกระทั่งจิตเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาคือเราเห็นความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับเห็นซ้ําแล้วซ้ำํำอีกนะรูปทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับนะ รูปทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับนามาทําทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับ gy. เนี่ยเห็นไปเรื่อยๆสุดท้ายนะปัญญาขั้นยอดอปัญญามันเข้าใจอ่ะเกิดความเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นของชั่วคราวไปหมดเลยสุขทุกข์กดีชั่วอะไรนี่เสมอกันไปหมดเลยนะเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์บางคนมักง่ายนะได้ยินว่าทุกอย่างเท่าเทียมกันก็ทําชั่วได้ไม่ใช่ท่านเน้นตรงที่ว่ามันเ ท, ท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ หมาถึงมันไม่เที่ยงเหมือนเหมือนกันทั้งดีและชั่วมันเป็นทุกข์เหมือนกันมันเป็นอนัตตาเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าดีกับชั่วนี่มีผลเหมือนกันมีทําชั่วก็มีผลเป็นความทุกข์แน่นอนมีทําดีก็เป็นผลเป็นความสุขนะดีกับชั่วไม่เหมือนกันในทางจริยธรรมแต่เหมือนกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์นี่พอใจมันเข้าสู่มันเห็นความเป็นไตรลักษณ์มากเข้ามากเข้ามันจะเข้าสู่ความเป็นกลางของมันเองอย่างพวกเราตอนเนี้จิตยังไม่เป็นกลาง เวลากระทบอารมณ์ก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างพอยินดีเรามีสติรู้ทันความยินดีก็หายพอยินร้ายเรามีสติรู้ทันความยินร้ายก็หายอันนี้ยังดับความยินดียินร้ายด้วยสติยังไม่ใช่ดับด้วยปัญญานะต้องเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเห็นสภาวะเกิดดับซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกเจวันเจ็ดเดือน7ปีแล้วแต่ความดื้อของจิตดื้อมากก็ดูต้องดูนานหน่อยดื้่น้อยก็ดูสั้นหน่อยไม่นานก็เข้าใจจิตยอมรับได้ เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ความสุขเสมอกว่าความทุกข์หมายความว่าจิตมันมีปัญญาเห็นว่าความสุขก็ไม่เที่ยงหรอกไม่ใช่ของเราหรอกนะความสุขเกิดขึ้นไม่หลงยินดีไม่กระเพื่อมยินดีความทุกข์เกิดขึ้นปัญญาก็เห็นว่าไม่ใช่เราหรอกเป็นของชั่วคราวอีกนะจิตก็ไม่กระเพื่อมด้วยความยินร้ายเราะั้นจิตจะไม่มีความกระเพื่อมขึ้นกระเพื่มลงเลยด้วยความยินดียินร้ายพ้นจากความยินดียินร้ายด้วยปัญญาอย่างยิ่งเลยนะ ต้องจิตหมดความยินดียินร้ายด้วยปัญญาแล้วเนี่ยเป็นประตูแห่งการบรรลุอริยมรรคนะเฉั้นพวกเราทุกคนต้องภาวนาตอนนี้ยินดียินร้ายก็ไม่เป็นไรยินดียินร้ายรู้ไปมันจะดับชั่วคราวด้วยสติแต่เมื่อเราเห็นสภาวะเกิดดับมากเข้ามากเข้าถึงจุดหนึ่งจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญาพ้นความยินดียินร้ายด้วยปัญญาไม่ต้องมีสติรู้แล้วจิตไม่เกิดความยินดียินร้ายขึ้นเอง นะทุกวันนี้ยังยินดียิร้าแล้วก็รู้เอานะถึงจุดนั้นเนี่ยจิตไม่มีความยินดียินร้ายจิตเป็นกลางเรียกว่าเป็นอุเบกขาด้วยปัญญาอุเบกขาต่อความปรุงแต่งทั้งปวงด้วยปัญญานะนี่คือประตูแห่งการจะเกิดอริยมรรคเมื่อกํากลังของมันเราบุญบารมีเราแก่กล้าพอนะเราจิตเข้าสู่ความเป็นกลางและบุญบารมีพอเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิมันรวมของมันเองเราไม่ได้เจตนาจะรวมมันรวมเอง รวมเนี่ยระดับความลึกของการรวมไม่เท่ากันบางคนรวมลงไปที่ปฐมฌานฌานที่หนึ่งบางคนที่สองที่สามที่สี่ฌานที่สี่เนี่ยบางคนมีรูปนะฌานที่สี่ของบางคนเลยไปถึงขั้นไม่มีรูปอรูปฌานเนี่ยจัดว่าเป็นฌานที่สี่นะแต่ว่าในตำราจะแยกไว้ว่าเป็นฌานที่หนึ่งสองสาสี่นี่เป็นรูปฌานห้าหกเจ็ดแปดเป็นอรูป แท้จริง5้าหมันก็คือชา้นที่4นั่นแหละเพราะมีองค์ธรรมอย่างเดียวกันนะองค์ธรรมมันเหมือนสมอกันคือมีอุเบกขากับเอกคตาเท่าๆกันกับชั้นที่สี่นั่นจัดอนุลมว่าเป็นชา้นที่สี่งั้นบางท่านเวลาบรรลุมรรคผลเนี่ยจิตเข้าถึงรูปฌานบางท่านบรรลุมรรคผลจิตอยู่ในรูปฌานบางท่านบรรลุมรรคผลในขณะที่จิตก็ยังมีปีติมีสุขอยู่นะ บางท่านจิตเป็นอุเปกขาเนี่ยพวกที่อยู่ในรูปฌานจิตจะเข้าฌานเองไม่ใช่เราเข้าจิตจะเข้าของจิตเองเมื่อจิตเข้าถึงฌานนะโดยอัตโนมัติเนี่ยสตยิจะอย่างรู้ลงที่จิตสมาธิประชุมลงที่จิตปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของจิตที่แสดงความเป็นไตรลักษณ์ของจิตชั้นในขึ้นมานะเราจะเข้าใจเข้าใจอริยสัจขึ้นมานะตรงนี้ใช้เวลาสั้นนิดเดียว ตรงที่มันจะไปเห็นสภาวะแล้วมันเข้าใจใช้เวลานิดเดียวนะถ้าบารมีพอใช้เวลาสองสาขณะจิตเท่านั้นเองที่จะเดินปัญญาในขั้นนี้นตรงที่เข้าฌานไปปุ๊บจิตจะไปเดินปัญญาอยู่อีกสองสาขณะไปเดินปัญญาอยู่ที่จิตสองสามขณะทัดจากนั้นจิตจะปล่อยวางจิตจะปล่อยวางตัวจิตแล้วทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ตัวนี้ใช้เวลาหนึ่งขณะจิตตรงที่ปล่อยวาง สภาวะจิตลงไปปล่อยวางขันลงไปไม่ใช่ปุถุชนแแต่ยังทวนกระแสเข้ามาไม่ถึงธาตุรู้ไม่ถึงธรรมธาตุเรียกว่ายังไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลนั้นสภาวะนี่เป็นสภาวะคาบลูกคับดอกเรียกว่าโคตรภูเป็นยาณข้ามโคตรเปลี่ยนจากโคตรปุถุชนจะเป็นโคตรพระอริยเป็นช่วงเปลี่ยนเป็นช่วงเปลี่ยนฐาน เมื่อมันทวนเข้ามาถึงาธาตุรู้แล้วนะอาสวะที่ห่อหุ้มาธาตุรู้อยู่เนี่ยจะถูกอริยามรรคแหวกออกมันจะแหวกออกตรงนี้ใช้เวลาหนึ่งขณะจิตอริยามรรคไม่เกิดสองขณะจิตเกิดหนึ่งขณะจิตเท่านั้ น, นไม่ว่าจะเป็นระดับโสดาสกต aka าานาคาหรือพระอรหันตุกองค์ขนาดสาวกธรรมดาหรือพระพุทธเจ้าอาริยามรรคก็เกิดชั่วขณะเท่านั้นเองถัาจากนั้นเนี่ยอริยผลจะเกิดขึ้น บางท่านเกิดสองขณะบางท่านเกิดสามขณะจะสัมผัสพระนิพพานเต็มภูมิสัมผัสพระนพิพพานได้เต็มภูมิเป็นความว่างเป็นความสว่างนะเป็นความบริสุทธิ์ตรงที่ว่าอาโลโกอุทปาธิแสงสว่างเกิดนะแสงสว่างตัวนี้มันเกิดอยู่ในอริยผลเกิดอยู่ในอริยผลสว่าง จากนั้นจิตจะถอยออกมานะกลับมาสู่โลกข้างนอกนี้แล้วจิตจะทวนกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกิเลสอะไรถูกล้างแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่เนี่ยจะรู้ทวนดูที่กิเลสนะนี่เป็นกระบวนการมาตรฐานนะกระบวนการมาตรฐานที่จิตล้างกิเลสออกจากจิตใจอย่างถาวรเลย นั่นใช้จักขงอุทธปาธิญานอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่อัญญากรุณัญญะเกิดขึ้นตอนที่บรรลุโสดาแต่ในขณะที่บรรลุสักขาคาอนาคาพระอรหันตนะ์กระบวนการก็เหมือนกันนะกระบวนการเป็นอย่างเดียวกันกระบวนการที่จิตเข้าไปล้างกิเลน เั็นพวกเราทุกวันนี้นะมีหน้าที่ปฏิบัติไปถ้าเมื่อไหร่เราปฏิบัติจนใจมันหมดความยึดถือในรูปนามล้างสังโยชน์ได้หมดแล้วล้างกิเลสได้หมดแล้วนะใจจะเป็นอิสระจิตใจของเราทุกวันนี้จะแกว่งขึ้นแกวงลงยินดียินไร้ายไปเรื่อยๆนะถูกปรุงแต่งได้ในใจที่เข้าไปถึงความเป็นาธาตุธาตุที่บริสุทธิ์ตัวนี้หลวงตามหาบัวเรียกว่าธรรมาธาตุเป็นาธาตุที่บริสุทธิ์นะ สมเด็จพระญายนังวรนท่านเรียกตัวนี้ว่าวิญญาณธาตุท่านพุทธธาตุหรือยอย่างท่านไว้หลังะจะเรียกว่าจิตเดิมแท้หลวงปู่ดูลหรือยอย่างท่านฮวงโปนี่จะเรียกว่าจิตหนึ่งหลวงปู่เทศจะเรียกสภาวะตัวนี้ว่าใจหลวงปู่บุตรดาเรียกสภาวะตัวนี้ว่าใจเดียวใจเดียวก็คือใจอันหนึ่งนั่นเองเป็นหนึ่งนั่นเองทำไมเป็นหนึ่ง ก็เป็นสภาวะที่มีคุณสมบัติบางอย่างเป็นหนึ่งคุณสมบัติบางอย่างที่เป็นหนึ่งก็คือไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกแล้วนะไม่มีอะไรกระทบกระเทือนเข้ามาถืออีกแล้วแต่ใจของพระอรหันตนะ์ยังมีหลายลักษณะนะบางดวงบางขณะนะมีโสมนัตมีโสมนัตเวทนาบางดวงเป็นอุเบกขาบางดวงประกอบด้วยปัญญาบางดวงไม่ประกอบด้วยปัญญาเนีมีหลายแบบ การเข้าสู่ความเป็นหนึ่งนะหมายถึงว่าเป็นพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิงไม่กระเพิ่มบันไหวใดๆอีกต่อไปแล้วหรวงู่ดูลสอนน่าฟังมากเลยท่านสอนนะบอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุไทยผลที่จิตออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอก นี่เห็นไมการธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกแต่ส่งออกนอกแล้วนะไม่มีสติจิตก็เพิ่มวันไหวไปเป็นสมุทัยผลที่จิตออกนอกแล้วไม่มีสติก็เพิ่มวันไหวไปเป็นทุกขน์นะถ้าจิตออกนอกแล้วมีสตินะไม่ก็เพิ่มวันไหวนะะท่านบอกว่าเป็นตัวมรึกคือเป็นตัวที่เจริญปัญญานะงั้นปัญญาเนี่ยเวลาจะเดินปัญญาเนี่ยจิตออกนอกนะไม่ต้องกลัวจิตไม่ออกนอกหรอก จิตเคลื่อนออกไปทํางานนะแต่ไม่ใช่หลุดออกจากฐานไปนะแล้วท่านบอกว่าผลั้งมันก็เป็นนิโรธนะแล้วท่านสรุปตอนท้ายพระอริยะเจ้าทั้งหลายพระอริยะเจ้าหมายถึงพระอรหันต์นะครูบาอาจารย์ท่านเรียกพระอรหันต์ท่านจะเรียกว่าพระอริยะเจ้าถ้าเรียกพระอริยะเฉยๆนี่ยหมายถึงอริยะอื่นๆไม่ถึงขั้นพระอรหันต์หลวงปู่ดูลบอกว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีจิตไม่ออกนอก มีจิตไม่ออกนอกนะมีจิตไม่กระเพื่อมบันไหนะ้มีสติบริบูรณ์เป็นวิหารธรรมอยู่นะแล้วท่านก็ตบท้ายคำว่าจบอริยสัจจบตรงนี้เองรู้แจ้งแทงตลอดเรียนจบลนะอริยสัจยันพ ร, ระอรหันเนี่ยจิตไม่ออกนอกจิตไม่ออกนอกแล้วรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิน้นกายใจได้ยังไงเพรานะจิตเนี่ยมันขยายตัวเต็มโลกธาตนนะุ ไม่จำเป็นต้องส่งไปส่งมาเหมือนเหมือนตัวใหญ่เต็มห้องเนไม่ต้องเดินไปท้ายห้องมันเต็มอยู่แล้วมันถึงอยู่แล้วนะจิตที่เข้าถึงธรรมนะไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งนะไม่มีการไปไม่มีการมานะมันจะเป็นสภาวะแห่งความรู้ตื่นเบิกบานนะเป็นสภาวะที่ว่างสว่างบริสุทธ หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสอย่างแต่มีอะไรอยู่มีธรรมอยู่นะที่โลกุเทศว่าสิ้นโลกเหลือธรรมจิตนั่นแหละทรงธรรมอยู่นะจิตกับธรรมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันจิตจะธรรมรวมเข้าเป็นเะนื้อเดียวกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลงไปนั่นเดียวกันที่จิตที่บริสุทธิ์ดวงเดียวนี้เองนะต้องสู้นะสู้ตาย ธรรมะอย่างนี้หลวงพ่อก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์นั่นแหละแต่แต่ก่อ น, ม, นมันคนเรียนมันไม่มากเวลาไปหาครูบาอาจารยนะ์ไปนั่งเรียนกรรมาฐานกับท่านไปคนสองคนนะเรียนหลายๆวันมีคนไปเรียนทีหนึ่งนะเดี๋ยวนี้พวกเราเรียนเยอะหลวงพ่อธรรมะที่ชั้นสูงที่ครูบาอาจารย์สอนสอ น, สอนมาเล่าให้พวกเราฟังนะฟังเอาไว้อย่างน้อยเขรู้ว่าศาสนาพุทธมีอะไรมากกว่าที่เรานึกนะมีอะไรที่วิเศษ มากกว่าที่เรานึกเยอะเลยมันึกไม่ถึงนะึกไม่ถึงนะสภาวะที่มันพ้นไปแล้วมีความสุขที่มหาศาลจริงหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะ <c oughs> ครูบาอจารย์เก่งเราได้ไปอยู่กับท่านได้ไปเรียนได้รู้ท่านก็ประครบประงมสอน ถ้าธรรมะระดับสูงๆเนะี่ยไม่ได้รับการถ่ายทอดนะมันน่าเป็นห่วงนะหลังๆเนี่ยสอนกันแต่เรื่องทำสมาธิแลก็พูดกันแต่เรื่องนิมิตเห็นโน้นเห็น น, น, น, นี่เดินจงกรมอยู่เห็นกระดูกมันเดินนี่ก็นิมิตอย่านะวิเศษวิโสอะไรนักหนามไม่ร่างกิเลสหรอกบางคนเดินจงกรมนะเห็นร่างกายเป็นกระดูก กระดูกเดียวไม่พอนะเห็นมีกระดูกข้างหน้าหนึ่งข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังเดินทีเดียวห้ากระดูกเลยห้าโครงอยู่องน้เนีนะ่ยก็ดีเหมือนกันสนุกดูไม่เหมือนคนธรรมดากูเก่งแต่ยังไม่ได้เป็นทางพ้นทุกข์อะไรเป็นเรื่องของสมาธินะงั้นถ้าเราภาวนาเราเกิดนิมิตขึ้นมาอย่างเห็นร่างกายเป็นกระดงกระดูกนะกาหนดให้มันสลายไปเลยเผามันไปเลยนะทุบมันให้แตกให้มันระเบิดเลย ขอยืมระเบิดปีงกองมาสักห้าร้อยลูกนะกำหนดจิตถ้าไประเบิดเปรี้ยงนะมันแตกให้หมดเลยนะสลายไปให้หมดเลยแล้วก็เข้ามาที่จิตนี่ใช้หลักสลายกายเข้าสู่จิตนี่ทำมั่อยู่ที่จิตนี่อกุศลเกิดที่จิตใช่ไหมอกุศลเกิดที่กายไหมโกรธเกิดที่กายไหมไม่ใช่อกุศลก็เกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิต เพราะฉะนั้นถ้าครูบาอาจารย์ท่านถึงยำ้ำว่าถ้าเข้ามาถึงจิตถึงใจได้นะถึงจะได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติภาวนามไม่ถึงจิตถึงใจไม่ได้สาระแก่นสารท่านว่าอย่างนี้นะสอนมาถึงขนาดนี้แล้วก็เวลาปฏิบัตินะท่านบอกเลยถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ก็ดูกายกายเป็นบ้านของจิตดูกายเพื่อว่าวันหนึ่งจะได้มีกําลังมาเห็นจิตเท่านั้นเองนะถ้าดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้ทําสมถะสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ยังดีนะ ให้ใจมันมีที่อยู่ที่เคล้าเคลียที่มีความสุขความสงบต้องสู้ด้วยตัวเองนะครูบาอาจารย์เทศเสียงแหบเสียงแห้งแค่ไหนนะไม่ทํมก็ไม่ได้อะไรหรอกได้แต่ฟังเอาไว้บางคนฟังไม่ฟังเปล่านะจำไว้ด้วยแถมจำผิดอีกระวังมากๆเลยนะเวลาฟังธรรมะเราชอบจำจำแล้วเอาไปพูดเนี่ย หลวงปู่มั่นท่านพูดไว้ตรงๆอันนึงเลยนะว่าทำม้าเนี่ยพอเข้าสู่จิตปุถุชนนะจะกลายเป็นสัตว์รำปฏิรูปทันทีเลยเพี้ยนทันทีเลยจะเพี้ยนอย่างอัตโนมัติเลย mm hmm. ความเพี้ยนนี่มีทุกระดับนะมีทุกระดับขนาดผ้านาคานะผ้านาคานี่อ ย, ย่างภาวนาเนี่ยเพื่อจะให้จิตดีนะขนาดได้ยินเรื่องอริยสัจอริยสัจเรื่องขันเป็นทุกุรูปนามเป็นทุกข พอถึงขั้นลงมือปฏิบัตนะินั้นก็จะคิดอีกว่าทำไงจิตจะพ้นทุกไปเนียจะให้จิตพ้นทุกนะภาวนาทำไงจิตจะพ้นทุกทำไงจิตจะบริสุทธิ์จิตจะดีจิตจะสะอาดมันมีคําว่าทำทําอะไรทําจิตที่ดีๆ ด, ดีไปเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีความสุขเพื่อจะมีความสุขไม่มีเราหรอกแต่ว่าเพื่อจะมีความสุขทั้งทั้งที่ได้ยินอริยสัจนะแต่ว่ามันไม่แจ้งไม่แจ้งอริยสัจ ถ้าแจ้งอริยสัจจะไม่มาทำจิตให้ดีหรอกจะไม่ทําจิตให้สุขหรอกเพราจิตเป็นตัวทุกขนะ์ถ้าเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ก็มันปล่อยวางจิตพอปล่อยวางจิตนล้วเข้ามาเป็นธรรมเป็นธรรมธาตุธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ตัวนี้ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นี้ไม่มีใครทําได้นะไม่มีใครทําไดนะ้เรียนรู้สิ่งแปลกปลอมทั้งหลายจนจิตมันวางลงไปมันก็เข้ามาถูกความบริสุทธิ์นี้ด้วยตัวของมันเอง ท่านไว้หลังก็สอนดีนะบอกว่าเพราะอาศัยจิตเดิมแท้นี้แหละถึงสัมผัสกับมหาสุญญาตาได้มหาสุญญาตาคือนิพพานนั่นเองเาะว่าจิตเดิมแท้จิตที่บริสุทธ์นั่นเองเมื่อสัมผัสเองสิ่งอื่นไปสัมผัสไม่ได้เลย <S <S ไทยเล่นลายบ้างสารภาพมา้ยจำเป็นต้องเล่นไหมเล่นในเรื่องการงานไหมการงานกับเล่นนอกเรื่องนอกราวอันไหนเยอะกว่ากัน ส่วนนอกเรื่องนอกเราลดลดซะถ้าเอาไว้ติดต่องานนะก็สมควรอยู่ปะเดี๋ยวก็ติ้งติ้งไปเรื่อยนะไม่ดีนะจิตเรากำลังจะรวมเนี่ยเป็นอุเบกขาแล้วกำลังจะรวมเข้าไปเกิดอริยมรรคแล้วติ้งไปเลยโ <c oughs> น, น่นเสียเวลาอีกเป็นปีเลยนะกว่าจะรวมพลังขึ้นมาได้นะไม่ใช่ว่าถอยออกไปแล้วมันแป๊บเดียวขึ้นมาได้นะหลดออกไปหลายเดือนหลายปีเลยบางทีนะ เงินต้องละมัดระวังมากเลยอย่าให้จิตมันกระชอกนะรักษาจิตให้ติดต่อไปมีสติะระลึกรู้ให้ต่อเนื่องไปอะไรที่จะทำให้จิตกระชอกไปกระชอกมาย่ายุ่งกับมันมากนะยุ่งมากก็ยากนานเสียดายนะน่าเสียดายเสียดายโอกาสนะต่อไปนี้นะตั้งสัจจคติตัวเองนะตั้งสัจจกติตัวเองทุกวัน เราตั้งแต่ตื่นนอนนะจะพยายามรักษาศีลห้าทุกวันตั้งสัจจคติตัวเองเราจะปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าทุกวันต้องทําในรูปแบบฝึกซ้อมตัวเองให้ชํานาญทหารยังต้องซ้อมรบหน่อยอยู่ๆไม่เคยซ้อมทําในรูปแบบเนะี่ยจะกระโดดมาจเจริญสติในชีวิตประจําวันเหมือนเหมือนทหารไม่เคยซ้อมเลยอยู่ๆก็เข้าสนามรบก็ตายเปล่าๆนะ เราต้องทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ซ้อมลบทําในรูปแบบให้มันชํานิชํานาญในการเจริญสตินะถ้าฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามาแล้วพอมาอยู่ในชีวิตจริงเนียตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกไปเนื้อดูจิตไม่ได้ก็ดูกายเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูไปเรื่อยๆก็ฝึกไปเรื่ยเจดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีควรจะได้อะไรบ้าง สมัยพุทธกาลนะท่านบอกว่าเจวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะบัติรู้พระาอารหันต์หรือ ย, อยังต่ําพระอนาคาของเราเจวันเจ็เดือนเจ็ดปีขอโสดาก็ยังดีเพราะบารมีพวกเรามันไม่แก่กล้าพอถ้าบารมีแก่กล้าคงได้ไปเรียนกับพระพุทธเจ้าแล้วล่ะนั้นเราภาวนานะคิดถึงบุญคุณท่านภาวนาไปรักษาสืบทอดธรรมะไปตั้งใจไว้อย่างนะอย่าให้ธรรมะหมดลงในรุ่นเรานะ อย่างน้อยถ่ายทอดไปอีกรุ่นหนึ่งแล้วรุ่นต่อไปเขาก็มีหน้าที่จะรักษาต่อนะอย่าไปเกิดบ่อยๆนะเกิดทีไรเป็นทุกๆ ท, กทีอย่าไปเกิดถ้าจะเกิดอีกก็อธิฐานอย่างนี้นะขอเกิดเป็นชาวพุทธตั้งใจอย่างนี้นะอย่าอธิฐานนะว่าขอเกิดเป็นคนไทยนะคนไทยมันเป็นวิชาที่ตีเมื่อไหร่ก็ได้ตั้งใจไว้เลยขอเป็นชาวพุทธตั้งใจไว้ เอาต่อไปส่งกันบ้านให้คนอยู่วัดก่อนโอ้นนี้เทศยาวเทศส่งท้ายเขาปิดคอสนะ mm hmm. เออพวกอยู่วัดเชิญกรับจาสการครั บ, ร ก, รรบก็รู้สึกแบบมีพลังอะไรคล้ายๆมาได้ชาร์จแบตเตอรี่ยัยงไงครับก็ mm hmm. ไปได้นำไปไปดูนะชีวิตเป็นทุกข์ไปดูไปดูทุกข์ให้เยอะๆเลยทุกข์มันเด่นอ่ะต่อไป การมาสการครับหลวงพ่ อ, อจะขอคําแนะนํำนะครับผมแนะนแล้วตั้งแต่เช้าจนเสียงแห้งแล้วไปทําเอานะจิตถึงฐานหรือเปล่านะให้รูเอาวันนี้ก็เปาสบายกว่ามวันแรกเยอะครับเราไม่เอาสบายหรอกเห็นไหมมันไม่เที่ยงเวลาเราพอานานาะจิตมันก็ดีขึ้นดีขึ้นนะพอเราขี้เกียจไปจิตก็เสื่อมไปอย่างนี้ไม่ดี เราไม่เห็นไตรักทุกวันเราต้องภาวนาภาวนาแล้ ว, วก็ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยนะแล้วมันก็เสื่อมอันนี้ดีมากเลยเสื่อมคาที่ที่ภาวนาเลยเนี่ยสุดยอดดีเลยมันจะทําให้เราเห็นเลยว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยแต่ถ้าขยันภาวนาก็จเจริญที่เกียก็เสื่อมเราจะไม่เห็นไตรลักหรอกมันจะรู้สึกว่ากูัวเก่งกูทำเมื่อไหรก็ดีนะเนี่ยที่เสื่อมเพราะกูไม่ทํามันต้องให้เห็นเลยนะเสื่อมทั้งทั้ที่กูทําอยู่นี่แหละ อย่างนี้ถึงจะดีไปจะดูความเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมนะถ้าพอนานแล้วจเจริญลูกเดียวเราก็แย่เลยขอคำแนะนำค่ะทุกวันเราทำในรูปแบบไหมแต่อย่าทำแบบเคร่งเครียดต้องทำแบบสบายใจนะทำกรรมฐานอะไรล่ะพุโทโธพุโทโธพุทโธแล้วรู้ทันจิต ถ้าใช้พุทโธต้องพุทโธเรารู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตมีความสุขก็รู้พุทโธพุทโธจิตฟุ้งซ่านก็รู้พุทโธเรารู้ทันจิตไปเรื่อยทำให้ได้ทั้งวันดีที่สุดเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดไม่ใช่เวลาปฏิบัติเขาไม่ได้จ้างเราปฏิบัติเขาจ้างเราทํางานในเวลาที่เหลือเนี่ยเราพอหนางเราะรู้ทันจิตไปเรื่อยพุทโธพุทโธไป วันนี้จิตมีแรงขึ้นค่ะแล้วก็เห็นเห็นจิตส่งคือมีสติมากขึ้นดีตรงที่เห็นจิตส่งออกสำคัญมากนะมันจะทำให้จิตตั้งมั่นนึก อ, ออกยังตรงที่รู้ทันน่มันจะตั้งขึ้นมาเองไม่ได้เจตนานะแต่ต่อไปพอมันตั้งบ่อยๆเราจำได้เราเลยไปตั้งเอาเองถ้าตัวเนี้ยจิตจะแข็งใช้ไม่ได้นะมันเป็นธรรมชาติเาว่ามาครับก็อ่า ภาวนาสบายขึ้นครับก็มีศรัทธามากขึ้นก็ดูนะักขันมันแยกได้ออกรับดูไปแล้วแต่ละขันแต่ละขันไม่มีเราหรอกรดูไปเรื่อยๆมันทำงานได้เองเห็นไหมเป็นทำงานได้เองก็เห็นบ้างครับเออ<ต>เส่วนใหญ่ไปตลุมบอลกับพยายามจะ <c oughs> จะให้เป็นอย่างที่เออไม่เป็นหรอก เราเรียนรู้เขาเราไม่ได้ไปแทรกแซงเขานะแต่ว่าหันใหม่ๆมันอดแทรกแซงไม่ได้หรอกก็ให้รู้ทันว่าแทรกแซงอต่อไปใครจำเป็นจะคุยกับหลวงพ่ออาว่ามาของผมมันพอไปยุ่งกับอกุศลผมมันก็จะสมาธิมันเสื่อมมันธรรมดาสิหมอเอ้ยถ้ายุ่งกับอกุศลมันต้องเสื่อมหลยมันเสื่อมที่มันเสื่อมเป็นเดือนเลยครับเออ ยิ่งเราอยากให้คืนมานะยิ่งเสื่อมนานต้องใจกล้าๆ ล, ลืมเรื่องอกุศลไปก่อนนะแล้วก็ทํากุศลไปเช่นนึกถึงพระพุทธเจ้าไปนึกถึงความดีต่างๆที่เราทํานะจิตเนี้ยมีแรงเดี๋ยวมันก็กลับมาดีเองเวลาที่มันเสื่อมเนี้ยอย่าตกใจถ้าเสื่อมแล้วตกใจยิ่งดิ้นนะยิ่งเสื่อมนะนั้นเราอย่าไปตกใจเสื่อมก็เห็นว่าเขาเสื่อมเราเป็นแค่คนดูเรานึกถึงที่ดีๆไหม เดี๋ยวมีแรงกลับมาใหม่แล้วคืออกศุศลนี่มันไม่ห้ามยุ่งเลยรหรือป่าอกุศลเนี่ยนะพระเจ้าเจ้าไม่แนะนําให้ยุ่งหรอกแบบสม่ําเสมอนะคะหลวงพ่อแล้วก็เล่นลายประมาณหนูนี่ใช้ได้ไหมคะฮะ ห, หนูเล่นลายขนาดนี้ใช้ได้ไหมคะหนูไม่ได้เล่นเยอะอะคะ่ะพี่หนูดูดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูว่ามันก็ คือกระทั่งลายคุยธรรมะนะั้นยังไม่ค่อยดีเลยรู้ไหมเพราะคุยธรรมะเนี่ยท่านบอกว่าสนทนาธรรมตามกาลเป็นมงคลอย่างยิ่งสนทนาไม่เลือกเวลาเนี่ยนะอัปมงคลนะอย่างนั่งลายคุยธรรมะกันทั้งวันเนี่ยอัปมงคลแน่หรือไม่ได้ภาวนานะคือเราอยู่กับตัวเราเองเยอะหน่อยเรียนรู้ตัวเองให้มากๆหน่อยแต่บางช่วงบางเวลาใจมันเหงามันไม่มีกาลังนะ ต้องไปยุ่งกับคนอื่นบ้างอะไรเนี่ยมันก็เรื่องธรรมดาแต่ยุ่งแล้วก็รู้ว่ายุ่งตามความจําเป็นหลวงพ่อภาวนามานะไม่เคยเล่นไลน์เลยนะเ <c oughs> <c oughs> พราะมันไม่มี <c oughs> อินเทอร์เนต็ตอะไรก็ไม่มีนะโอ้บุญจริงๆเลยมันนึก น, นึนะหลวงพ่อขรรค์ชีวิตประจําวันหนูก็แผ่เมตตาคือบริกรร ม, มไปเรื่อยๆได้ได้ใช่ไหมได้<ช>ไดจะได้แรงนะแล้วจิตจะรวมง่าย แล้วบางทีมันไม่รู้มันดูลมด้วยแล้วก็บริกรรมไปด้วยแต่เวลานั่งอะคะ่ะสองอันได้ได้สองอันได้อย่าให้ถึงสามสองอันกำลังพอดีอันเดียว่าดีที่สุดไม่มีสักอันหนึ่งนะพวกสุดยอดทำยากน ะ, ะอย่างน้อยก็ต้องมีไว้อันหนึ่งก่อนครับนรมาส ก, การหลวงพ่อครับว่ามาก็ไม่ค่อยมีแรงครับผมแต่ก็ ทำทุกวันจะทําในรูปแบบก็ไม่ไม่ค่อยได้ก็บางทีก็บริกรรมไปมันก็หลุดหลุดไปบ้างสวดอิติปิโสไปบ้างอะไรบ้างนะสวดจะเจริญเมตตาจะได้แรงสวดอิติปิโสดีจะได้กําลังดี<ม>สวดในใจนะไม่ต้องดังครับผมเมื่อวานได้คุยกับคุณประสานแล้วรู้สึก วันนี้ปฏิบัติตามที่เขาแนะนารู้สึกเบาขึ้นค่ะหลวงพดีสว่างขึ้นเยอะเลยค่ะโอ้ดีภาวนาแล้วหนักๆก็ใช้ไม่ได้นะภาวนาแล้วมืดๆก็ใช้ไม่ได้หายจากซึมไปเยอะเลยค่ะซึมยิ่งไม่ดีใหญ่เลยก็จะพยายามปฏิบัติตามหลวงพ่อสอนนี่บอกว่าประสานสอนมาบอกหลวงพ่อสอนอีกแล้วคก็ก็ ตอนเช้าหลวงพ่อสอนแล้วแล้วก็ไปคุยกับคุณประสานอีกค่ะที่ไปที่ไปเข้าคอส ท, ที่ที่บางประกงนะะี<อ>่ยค่ะแล้วกลับมาทำอย่างที่เขาสอนก็รู้สึกเบาขึ้นเยอะค่ะต้องทําหน้าเรามาคอสเนี่ยมีคนอื่นมาช่วยเราตั้งเยอะเราเป็นหนี้งั้เราต้องเภาวนาเราถึงจะไม่ติดหนี้เขาน ะ, ะยังมาเข้าคอสแล้วคิดแต่จะเที่ยวเนี่เป็นหนี้นะชาติหน้า<อ>ต้องไปเป็นบัวเป็นกวอย เรู้สึกเบาขึ้นเยอะค่ะพ่อตั้งใจภาวนากันพยายามค่ะพ่อบางคนมาเข้าคอร์สกะมาเที่ยวถ้าอย่างนี้ไม่ดีนะเป็นนี่เลยเขาไม่ได้ให้เรามาเที่ยวเขาให้เรามาเรียนธรรมะเรียนธรรมะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ดีขึ้นมีความสุขเขาให้โอกาสงั้นเราตั้งอกตั้งใจภาวนานะคมาเข้าคอร์สสองวันนึงะกลับบ้านไปตั้งใจภาวนาต่อค่ะ รำนมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอืมค่ะก็ในขณะที่ฟังธรรมหลวงพ่อนั้นก็เกิดรู้สึกจิตมันมีปิติลื้อขนลุกแล้วก็น้ําตาจะไหลค่ะเออตัวนี้คอยรู้อย่างหนึ่งนะพอเราไม่ให้ปิติครอบงําจิตนะเจ้าค่ะดูไปแค่ปิติมันก็หยุดส่วนปิติไปเจ้าค่ะพอพอรู้สึกตัวก็มันก็ดับเอต้องอย่างนั้นบางคนมันปิติตลอดเวลาใช้ไม่ได้เจ้าค่ะ ก็ขอกันบ้านหลวงพ่อจ้ะค่ะให้ไปแล้วไปทำมั้งจ้ ะ, <ม>ะดูกายดูใจไปเจ้าคะนะ่ะสาธุจ้ ะ, ะถือศีลห้าไว้ตามนรมาส ก, การค่ะคือตอนนี้รู้สึกใจมันนิ่งๆมันรู้สึกไหมใจของเราตอนนี้ก็ใจของเราตอนเด็กๆนะัไม่เหมือนกันใจตอนเด็กๆนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพลดปลาดใช่ไหมตอนนี้มันนิ่งๆนั่นแหละเรากดอยู่ใจที่ดีที่สุดกอคือใจแบบเด็กๆ มีอารมณ์มากระทบเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้ อ, องไห้เห็นใจมันเปลี่ยนเราอย่าไปแทรกแซงมันปล่อยให้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติไม่ใช่แกล้งทำใจอ่อยๆอย่างนี้ด้วยนะทำใจแบบนี้เชื่อจะปล่อยมันก็ไม่ใช่รู้อย่างที่มันเป็นอย่าไปแทรกแซงจิตทำยังไงคะทาไม่ได้เพราะทาทีไรมันจะแทรกแซงเข้าใจหมต้องไม่ทา เราอยากดีเราอยากปฏิบัตินะเราพยายามทำพอพยายามทำนะมันจะกลายเป็นแข็งแข็งไปเกินจริงไม่ต้องพยายามทำอะไรนะอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจรู้สึกนะรู้อย่างที่มันเป็นไม่ได้ไปบังคับมันไม่ต้องคิดเขาว่าดีนะไม่ดีก็ได้ให้เขาทำงานไปให้เขาหนีแล้วเรารู้ ให้เขาสขรารขาุกแล้วเรารู้ให้เขาทุกข์แล้วเรารู้ให้เขาดีแล้วเรารู้ให้เขาชั่วแล้วเรารู้นะอย่าไปกลัวมันชั่วคอยจ้องเฝ้าดูทั้งวันทั้งคืนมันจะนิ่งๆิ่งว่างๆไม่มีอะไรให้ดูเลยถ้าไปเฝ้าดูนะจะไม่มีอะไรให้ดูเลยจะว่างว่างเพราะฉะนั้นอย่าไปเฝ้ามันให้มันเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติมาสการค่ะว่าไงออหนูว่าหนูต้องภาวนาไปแอบเพลงอะไรแน่เลยปวดหัวมากเลยค่ะเหรอ ปวดตรงไหนปวดเป็นจุดๆหรือปวดนี่ไอบางทีกรรมเราก็ไม่ได้เพ่งเหมือนก็ปวดได้นะบางทีหมานก็ผจญเหมือนกันออหนูนั่งภาวนาค่ะแล้วก็หลับตาแล้วพอเหมือนพอสักพักอะค่ะมันจะเห็นเป็นแสงสีม่วงค่ะหนูก็ดูมันหมุนอืแล้วก็กลับมาดู เรากลับมาที่ตัวเราเองนะกลับมาดูกายดูใจไปดูแสงแล้วถ้ามันออกไปที่แสงก็รู้ทันว่ามันออกไปที่แสงแล้วกลับมาดูกายได้ไหมได้ได้แสงสีเสียงอะไรลรวไม่เอานะพวกไลน์สาวอะไรเงี้ยไม่ดูมันกลับมาที่ใจเนี่นรสษการขลุงพ่อขอการบ้านเพิ่มด้วยค่ะไม่ทำต่อสิ สังเกตไหมว่าจิตเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันนะมันก็มีความสุขฝุดขึ้นได้เองเนี่ยเข้ารู้ไปดูไปจะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงนะเราไม่ได้เอาความสุขหรอกความสุขเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่าจิตมีสมาธิถูกต้องแล้าจิตมีสมาธิถ้าถัดจากนั้นก็ดูของจริงไปคเห็นร่างกายเห็นไหมกายกับใจเป็นโคลาร์มันขันไม่แยกแล้วนคั่นแหละทาถูกแล้วตั้งหนูไม่แน่ใจว่าหนูเพ่งหรือเปล่าบางทีเวลาหนูมองไปข้างนอกเนี่ยค่ะ เหมือนมันเป็นจิตมันพูดออกมาเลยว่าปลอมเอถูกของปลอมท like ั hm. really, ้งนั้นเละเหมือนมันเห็นเป็นภาพภาพมายามายาเฉยๆเป็นมายาทั้งหมดเลยหนูกําลังจะย้ายไปต่างจังหวัดอะค่ะจะไม่ได้มากราบหลวงพ่อบ่อยไปจังหวัดไหนอะไปภูเก็ตค่ะเอมาง่ายจะขออวาทหลวงพ่อในการภาวนาต่อไปค่ะเอาเราต้องมีความตั้งใจจริงนะ ตั้งใจจริงเราจะไม่โรลเ ล, เลี่ยวไหลเราจะตั้งใจภาวนาทุกวันต้องทำเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าให้ได้ไม่ควรจะไปเที่ยวล่อนเล่ไปนะภาวนาของเราเองปลอดภัยที่สุดเรเดียนหลายที่หลายแห่งเนี่ยจะสับสนเพราะเรียนหลักให้แม่นนะภาวนาของเราเองอยู่ที่บ้านนะปลอดภัยสงสัยก็หยิบซีดีมาหนึ่งแผน่นยกมือไหว้คิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เปิด รับรองมีแน่นอนกรรมนำ้ำมการหลวงพ่อค่ะอคื อ, อก่อนหน้านี้หนูไม่เคยปฏิบัติค่ะเคยพยายามจะนั่งสมาธิมันมก็เหมือนฟุง้งเหมือนบังคับตัวเองก็เลยมไม่ได้ปฏิบัติดีแล้วละ่ะที่ <Okay. S 2> ไม่ได้ทำมาครั้งนี้ก็คือครั้งแรกที่มาเข้าอคอร์สแล้ก็หลังจากที่ได้ฟังหลวงพ่อสอนแล้วก็คําแนะนําจากพี่เลี้ยงหลายๆท่านนะคะอเมืม่อวานก็สามารถปฏิบัติได้โดยการ จับลมหายใจเข้าออกค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันทําได้ด้วยใจแล้วก็เบาสบายใ น, นขณะเดียวกันได้ยินเสียงอะไรหรือว่าคิดอะไรก็จะรู้สึกตา ม, มแต่ว่ามันก็มีภาวะที่รู้สึกว่ามันเบาสบายเหมือนมันยินดีตรงนั้นแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าเพราะมันกลายเป็นอยากนั่งต่อไม่อยากจะลุกนะคะหลวงพ่อไม่ทราบว่านี่เป็นภาวะการหลงด้วยหรือเปล่าแล้วก็อย่างกลัวมากไปเดี๋ยวไม่ยอมปฏิบัติ หลงก็หลงไปแต่ว่าการนั่งดูลมหายใจนะเรานั่งให้ถูกแทนที่จะนั่งแล้วไปดูที่ตัวลมหายใจนะเรานั่งดูร่างกายหายใจนั่งเห็นร่างกายหายใจใจเราจะโปร่งสบายเหมือนดูคนอื่นหายใจเลยแล้วไปมันจะรู้สึกขึ้นมาไอ้ตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าอย่างนี้ค่อยหัดแยกขันไปเลยถ้านะถ้าอย่างนั้นก็คือเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติคือเมื่อวานก็เลย หยุดณตอนที่ยังรู้สึกว่าเบาๆสบายอยู่แต่ต่อไปเราไม่น่าจะว่าปล่อยตามธรรมชาติแล้วให้มันอึดคือรู้สึกแน่นๆแล้วค่อยหยุดหรือว่าก็ไปเรื่อยๆถ้าแน่นๆเราก็หยุดก่อนทำผิดแล้วถ้าแน่นๆค่ะจะได้นำไปปฏิบัติต่อไปต่อไปนี่หนูก็จะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะเห็นร่างกายทำงานใจเราเป็นคนดูกายกับใจเป็นคนละอันฝึกแยกตัวนี้ไปเรื่อยๆแต่ไม่จงใจแยกนะจนใจแข็งๆนะ ถ้าใจแข็งๆแล้วก็เห็นร่างกายอยู่ตหากอะไรใช้ไม่ได้ใจต้องสบายค่ะ<อ>ถ้าใจไม่สบายแสดงว่าสมาธิไม่ถูกขอบคุณค่ะนำ้ำมการหลวงพ่อคะ่ะโยมมีความรู้สึกว่าจะติดสุกไหมคะ่นะ <laughs> เพราะว่ายัางมีอะไรมากระทบเนี่ยใจเราก็หวันไหวพอวันไหวเรารู้ทันอพอรู้ทันปุ๊บมันดับไปมันก็จะผุดความสุขขึ้นมา ความเย็นใจมันจะเกิดขึ้นอยู่ประจําเสมอๆวนนันนึงเยอะแยะไปหมดแล้วก็มันก็สลับกับไอ้ที่วันไหวก็สุกวันไหวสุกอยู่อย่างเงี้ยโอ้ก็ยังดีนะยมกลัวว่ายมจะติดสุกหรือเปล่าไม่กลัวหรอกอย่าไปกลัวมันสลับใ <c oughs> ดที่ยังสุกบ้างวันไหวบ้างใช้ได้ถ้า <c oughs> สุกทั้งวันทั้งคืนรีบมาปรึกษานะ <c oughs> <c oughs> อกก็็กคือจะติดไม่ติดมันอยู่ตรงนี้ เนีย่ยมีความสุขเกิดขึ้นแล้วเรายินดีพอใจแล้วเราไม่รู้เราถึงจะติด oh. มีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเรายินดีเรารู้ว่ายินดีอย่างนี้ไม่ติดนะอ oh, uh, ไม่ตินะก็จิตมันมีบุญมีกุศลมันมีความสุขอะ <Okay. S 1> ช่วยไม่ได้หลวงพ่อมีความสุขมากนะเวลาไม่เจอโยมเนี่ยมีความสุขส <laughs> บาย <laughs> ไม่ต้องพูดถ้าพูดก็เป็นภาราักขัน โยมมีจุดอ่อนอะไรที่ต้องแก้ไขไหมคะโยมช่างพูดไหมไม่ไม่ค่อยพูดจออ<ต>้ะดีแล้วเลยไม่อยุ่งกับใครเยอะน ะ, ะดูของเราบ่อยๆ ก, การนรัสการหลวงพ่อครับก็คือวันนี้เป็นวันที่สองแล้วที่ผมได้ฟังถามจากหลวงพ่อนะครับก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าจริตตัวผมเองเป็นยังไงแล้วก็มีภ<ต>รรยาหรือเปล่า ไม่มีครับนะแล้วก็ก็จะกลับไปเรียนแล้วก็อยากจะได้การบ้านกลับไปทําด้วยครับเราก็ต้องดูของเราสิเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นไหมหรือเราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสบายครับออถ้ารักสุขรักสบายก็ดูกายมากหน่อยนะถ้าเจ้าความคิดเจ้าความเห็นก็ดูจิตมากหน่อยเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากเวลาดูก็ใจเป็นแค่คนดูนะเห็นร่างกายทํางานใจเป็นคนดู เห็นความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูอะไรเงี้ยครับผมฝึกไปเรื่อยมีใจเราเป็นคนดูสบายๆนะขอบคุณครับกังสุดท้ายแล้วครับการนมัสการครับวันนี้จะกลับเชียงใหม่แล้วครับขอการบ้านพ่อครับภานาเอสิภานาได้อยู่ดูนะกายส่วนกายใจส่วนใจดูอย่างนี้ไปเรื่อยนะสุขทุกข์ดีชั่วก็หยุดอีกตหากนะ พอขันมันแยกได้ก็ดูร่างกายมันทํางานมาไม่ใช่เราละสุขทุกข์มันทํางานขึ้นมาสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรากิเลตก็ไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยจิตมันก็ทํางานได้เองเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็รู้สึกเดี๋ยวมันก็เผลอะเดี๋ยวก็วิ่งไปดูวิ่งไปฟังเนี่ยมันทํางานของมันเองไม่ใช่เราดูไปดูไปไม่มีตัวเราสักตัวเดียวเลยดูอย่างนี้เรื่อยๆครับกลับขอบพระคุณหลวงพ่อครับอ้าวหมดละเชิญกลับบ้าน ตามเวลาเห็นไหมมาตรฐาน